หลวงปู่ฟั่นสอนให้พิจารณาทุกตอนป่วยตอนหลวงพ่อป่วยเป็นวันโรคหลวงปู่ฟั่นสอนว่าอย่างนี้ทุกขังอริยสัจจงมันปรากฏแก่เธออยู่ทุกลมหายใจเธอไม่ต้องไปคิดพิจารณาอะไรมาหลอกตัวเองให้กำหนดสติรู้สิ่งที่มันมีอยู่ในกายในใจ เวลานี้ปอดของเธอเป็นวันโรคมันเป็นจุดเกิดของทุกข์จิตของเธอไปยึดอยู่ที่ปอดเพราะเธอป่วยที่ปอดแต่ความทุกข์มันไปเกิดที่จิตความเจ็บป่วยเกิดที่กายแต่จิตไปรับรู้มันก็เลยกลายเป็นความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นให้ดูสิ่งที่มันมีอยู่ในปัจจุบันอย่าไปควยคว้าอะไร